สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักและเคารพเรื่องเล่านิทานที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ล้วนมีเนื้อหาสาระที่มีคติสอนใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะเรื่องสติ สตางบอกหน่อยได้ไหมคะถ้าจำเป็นต้องเลือกระหว่างสติกับสตางจะเอาอะไรเชื่อขนมกินได้ว่าร้อยละ 99.99 99ขึ้นไปจะตอบโดยไม่ต้องใช้สมองคิดเลยว่าเอาสตางเพราะว่านำไปจับใจใช้สอย ซื้อของกินของใช้ที่ต้องการได้เคยค่ะเคยได้ยินบางคนพูดบ่อยๆว่าคนไม่มีสตางค์ก็ไม่ต่างกับหมาขี้เรื้อนตัวหนึ่งแต่แปลกนะคะที่กลับไม่เคยได้ยินใครพูดว่าคนไม่มีสติก็ไม่ต่างกับหมาบ้าตัวหนึ่งเลย ที่จริงแล้วค่ะการให้เลือกระหว่างสองอย่างเนี้มันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเกินไปเพราะการเป็นคนที่ยังดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มันจําเป็นต้องมีทั้งสติและสตางค์ควบคู่กันถ้ามีสติแต่ไม่มีสตางค์ก็คงอยู่อย่างอยากเย็นเข็นใจ ยกเว้นค่ะพวกอยู่ตามป่าดงดิบไกลริปลับติดพ้นทะเลโน้นที่ยังไม่รู้จักใช้สตางค์ในการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนในทางกลับกันถ้ามีสตางค์เยอะแยะแต่ไม่มีสติเอาซะเลยก็จะกลายเป็นพวกแอปแบ้วไม่เต็มบาทขาดขาดเกินเกินพวกสองสลึงเฟื้อง บ้าบ้าบอๆได้เหมือนกันค่ะประโยชน์ของสตางเนี่ยคงไม่ต้องมานั่งพูดกันให้เสียเวลาไปเปล่าๆนะคะเพราะแม้แต่เด็กที่เริ่มจะเดินได้พูดได้ก็ยังรู้จักร้องกระจองงองแงแบมือขอตัง้งขอตัง้งค่ะเรามาคุยถึงเรื่องสติดีกว่าเพราะ หลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าคืออะไรเริ่มจากความหมายเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนดีไหมคะสตินั่นก็คือความระลึกได้นึกได้ความไม่เผลอการคุมใจไว้กับกิจจำการที่ทำและคำที่พูดนานแล้วได้ บ่อยครั้งค่ะที่คนเราเนี่ยกว่าจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วเช่นเดียวกับสติที่เป็นสิ่งมีค่ายิ่งแต่กลับไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญจนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจึงได้รู้ซึงว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรมี และควรรักษาไว้ให้ต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยยกตัวอย่างในวันหนึ่งหนึ่งของใครก็ตามถ้ามีสติไม่ต่อเนื่องแม้จะขาดหายไปเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจเกิดเหตุพลาดพลังพพล้งเผลอไผลมีสิทธิ์เจ็บตัวเจ็บใจได้ตลอดเวลาเหมือนกันทุกคนเช่น ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาจากเตียงถ้ามัวแต่ทำตัวมัวเงี้ยขาดสติก็มีโอกาสประเดิมเช้าวันใหม่ด้วยการชนโต๊ะชนเก้าอี้เอาหัวโขกประตูห้องได้พอเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็อาจจะแปรงแต่ฟันบนลืมฟันล่างหรือ แปรงด้านนอกแล้วลืมด้านในพอบ้วนปากเสร็จค่อยนึกขึ้นได้เออช่างมันเถอะเวลาอาบน้ำหากว่าเผลอใจลอยขาดสติมากๆก็มีโอกาสหยิบแชมพูไปถูตัวแล้วเอาสบู่ไปสระผมได้เหมือนกันค่ะพออาบน้ำเสร็จ นึกขึ้นได้ว่าลืมผ้าเช็ดตัวไว้นอกห้องต้องเดินเปือยกายร่อนจ่อนตัวเปียกเข้าไปในห้องแต่งตัวตอนใส่เสื้อใส่กระโปรงหากสติขาดไปกลางคันอาจจะลืมรูดซิปมารู้ตัวอีกทีเมื่อเห็นคนไม่รู้จักยืนอมยิ้มให้แต่ไกลเวลาลงบันไดค่ะ ใหก็หลุดลอยไปจากขาแทนที่จะเดินลงมาดีๆเลยต้องใช้ก้นถลหลแทนจำเบาไปสามขั้นเลยจะออกจากบ้านเดินไปเปิดประตูรัว้วเอ๊ะกลิ่นอะไรตุตๆโทมมาตัวไหนดันมาตั้งกองถ่ายไว้หน้าบ้านแล้วไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตาก็ไวไม่ทันเท้า เลยเหยียบเข้าเต็มเปาพอสตาร์ทรถก็มัวแต่คิดเรื่องงานจะเดินหน้าแท้ๆแต่กับใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเป็นไงล่ะตูมก็ชนโครมเข้าให้กับผนังบ้านตัวเองพอขับรถไปสักพักก็เกิดลังเลว่าเอ๊ะตอนออกจากบ้านมาเนี่ย ได้รอกประตูหรือยังทำให้ไม่มีสมาธิในการขับเผลอฝ่าไฟแดงตรงสี่แยกเห็นตำรวจยืนยิ้มเพลไม่แย่เขียวแต่ควักมือเรียกให้จอดรถขอดูใบขับขี่แล้วเขียนใบสั่งตามระเบียบทีนี้ก็อยู่กับสติในการใช้ฝีปากจินจาแล้วเมื่อถึงที่ทำงาน พระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไมกาแฟวันนี้มันขมจังอ้อนึกขึ้นได้ลืมใส่น้ำตาลนั่นเองพอได้เวลาเริ่มงานสติก็ลอยไปลอยมาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกคิดออกนอกเรื่องนอกราวตลอดวันงานเลยไม่เดินหน้าแถมยังผิดพลาดอีกต่างหาก ท่านผู้ฟังคะที่ยกมานี้นะคะเป็นเพียงแค่สมมติเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่สติมีการเว้นวักขาดหายบางช่วงบางตอนเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วคงจะไม่มีใครขาดสติได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะไม่งั้นไม่ได้มารับฟังอยู่ขณะนี้หรอก ส่วนใครที่ชอบซุ่มซ่ามเดินชนโน่นชนนี่ทำของตกแตกบางคนก็มักลืมกุญแจบ้านลืมโทรศัพท์มือถือลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ตามร้านอาหารห้องน้ำห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆก็ให้เกิดความเสียหายและสูญเสียเป็นประจำรวมไปถึงใครที่ชอบ อุทานคำหยาบคายไม่น่าฟังเวลาตกกระจยก็ขอให้รู้ไว้เลยว่านั่นก็มีเหตุมาจากการขาดสติเช่นกันนี่แค่เบาเบนะคะของเรื่องสติที่ขาดหายเป็นช่วงๆยังมีโอกาสเกิดเรื่องราวได้มากมายขนาดนี้ถ้าไปถึงขั้นสติแตกสติวิปราช เสียสติหรือหมดสติจะน่ากลัวขนาดไหนลองนึกเอาเองก็แล้วกันค่ะทีนี้มาคุยกันเรื่องประโยชน์ของสติบ้างดีไหมคะที่เห็นชัดๆก็คือข้อหนึ่งช่วยให้ประหยัดสตางเพราะคนเรานะคะเมื่อเห็นสิ่งใดตรงตาต้องใจ ก็จะเกิดความอยากได้อยากเป็นเจ้าของสติเนี่ยค่ะจะคอยช่วยเตือนว่าเป็นของฟุ่มเฟือยนะแพงไปไม่สมราคาลอกเกินความจำเป็นรู้ไหมเพราะของเดิมที่เคยซื้อไปก็ยังไม่ได้ใช้เลยจะซื้อไปเก็บไว้ให้รกบ้านทำไมข้อที่สองค่ะ ช่วยให้ไม่ต้องเสียทรัพย์โดยใช่เหตุก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าคนที่มักซุ่มซ่ามก็เป็นเพราะว่าขาดสติส่วนคนที่มีสติก็จะไม่เผลอเดินชนโน่นชนนี่ทำของแตกชำรุดจึงไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่หรือต้องจดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของเขาและ สติเนี่ยค่ะยังช่วยให้ไม่เผลอลืมสิ่งของมีค่าของสำคัญทิ้งไว้ตามที่ต่างๆจนทำให้ต้องเกิดการสูญเสียโดยไม่จำเป็นอีกด้วยค่ะข้อ3ค่ะช่วยให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุต่างๆได้ไม่ว่าจะขับรถยนต์เดินข้ามถน น, นลงบันไดตัดกิ่งไม้ ปอกผลไม้กินข้าวล้างหน้าแปรงฟันหรือดื่มน้ำปัดสาวะถ้ามีสติต่อเนื่องแล้วทุกเหตุการณ์ก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดไม่ทำให้ต้องเจ็บตัวฟรีประโยชน์ข้อที่4นะคะช่วยแก้ไขสถานการณ์ยามขับขันได้ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบเดียวกันก็ใช่ว่าจะสามารถรับมือได้เหมือนกันทุกคนผู้มีสติเท่านั้นที่จะสามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหานำพาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ส่วนผู้ที่ขาดสติเป็นไงคะ ก็จะกลัวจนคิดอะไรไม่ออกจึงต้องรับผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆไปเต็มๆ เ, เลยข้อนี้ค่ะมีเรื่องเล่าสนับสนุน